ผู้บ้านคือเฮ่นเท่านี้ล่ะเอาเจ้าใหม่ดีๆไปใส่ใครใหม่หมดตอกลิมผมไปใส่นิดก่อนภูพังเร็วอันนี้คือกันคนห้าวสั่งควบคุมตัวสารล่ามุกที่ยึดกับบันท่อนลงเร็วดีไม่ดีอาจที่ยึดนี่อาจจะเหาะเจ้าผู้แจงเจ้าผู้ที่บอกคือเจ้ากรรมคือแจงผู้เป็นประธานที่บอกให้ท่านตัวหลายๆก็อาจจะเป็นมือเป็นมนุษย์หนึ่คนเป็นดียาเป็นด้วยบุญจริงๆเป็นด้วยกุศลาตงหวะ เกิดข <de> ึ hmm. ้นมาสมบูรณ์เป็นมนุษย์นี่มนุษย์โสนะหมายถึงว่ามนมนุษย์เต็มโตบมืมื่เป็นสานารนดมนุษย์โสนี่เป็นคนได้ยากได้ด้วยบุญญาธิกาคนยังจางก็เป็นมนุษย์โฉคนห้องบริษัทนี่จะทาไปควบคู่ศาสราโมกความหนาจของกิเดสมันราว่าไผ่หละมาว่าเพิ่ว่าโตอันนั้มือบุญอุณหภมันจะลากลงไปหลากลงทางธํามนี่แหะ ผลที่ถ่ายจะทุกข์เพราะกิเลสมันหลากลงไปเดินลองผ่มลองหายทั่วดินแดนบมื่อวานอยู่เมืองใดมู่ใดประเทศดใด น, นี่หลกนันนี่หลมิกิเลสิลองหายเพราะกิเลสจะคลองกันละนะ่ะจะคล้องทํำบดีไรจแต่้องก็เจอเองคุณได้ทําดีไรจะเจอเองคนหนึงคนย า, ายยา ว, ว่าอนุปาดีดีมีและช่วเหมือนยองตามตัว มันงอตามตัวไปคิดเข้าไปธรรมบุคิดซึ่งสี่แต่จะบนชเห็นคิดตามท่อของนักปาก่าเดินตามท่อของนักปากา่าทุกคนเดินมาแล้วมันจังสมหวังเดินตามพ่อมผู้บุญุ่นคนมีกิเลสหนาปันหน้าเนี่ยบ่มีประมานโลค ก, กับบ่มีประมานโกรธกับบ่มีประมานหลงกับบ่มีประมานบ่มีเด็กบ่มีเครื่องอักข่ามบ่มีเครื่องป้องกันเจ้าของนักป่า ท, ท่านนี้รักไม่เกิด ข่าเรื่องโล ก, กมี่านมีสินมีตงมุษสะท่เรื่องโลกขอบเขตเขาม่รู้ไม่ย่นมีก็ บ, บอกขอบเขตไรนี่ทเลเขตต้นกับคไม่บานเมืองตั้เข้าไปาาก็หันตกแดบผมมยังดีที่เจ้ของเลยเกิดเห็นมากกับเป็นเหมือนฝกคิดเรือยู่ได้กาเข้าเรื่องดีดงข้างบกขึ้นเนี่ยไปแรา เรื่องดีจะฟังออกเพราะฐานต่าสภาพจิตต่ำ ม, มันไป ด, ดูถูกว่าตา่าจนรับดีบ่ไดมดสภาพเกิดขึ้นมากของมีดีที่ตัวที่ทำมันไม่คนอยมีที่ตัวทุกกระทุกหลายกับผู้อื่นลาบากกับลาบากหลายกับผู้อื่นยากกับยากหลายกับผู้อื่นเรื่องใจก็ทุกทุ ก, ทกมากทุดหาความสุขหนอกจึงวิ่งห า, าพ่อผู้ใดทุกข์ได้หลายจึงสอบดึงหาพระละทัดเทวีสอบ หาตะควอมสนุกแบบบุโลงๆตำที่ทุตจนแยกออกเมื่อไรยุกปัจจุบันนี่แหละทิดตำที่ทุดหลับอีกเมื่อไะจึงเอาอันนี้เข็มมาลองล่ำซ้ำเพง่งเฉียงถวมห่ากิโลกขาเจ้าจบอกนั่งบ่ออยู่เพื่เสียวถวมอยู่จักที่กิโลก็ื่อได้ดูเสียงคลิปออกมามากมาทำล่ายหัวใจจะของ เทปเข้าไปฟังเข้าไปมันเละไปหน่อยพอจริงําสาลามกังเข้าไปมันเละๆกับดาเข้าไปเละดำเข้าไปนิดหน่อยผลจะถ่ายบอลมีดีแหลกปุ้ยๆยึดนึงแตเมื่อกายสลายแล้วจับติดไปต่างกระเทเมื่อทำมากเขไปเป็นท่านยืนสามวดได้ที่สุดบอลมีซิมีิสนนตรงไนยบปมาเดมาเป็นมนยแดเสียงอันี้เป็นมาใสด้เสียงมวนเสียงเพื่องเสียงอันยิ่งมีมากสใดให้จับใ้หลับได้ล่าให้จั สิดอ่านให้ฮุกจัดใส่พ่อปอบพ่อหมอกระพรบกของเฮาให้ฮุกจัดใส่บางที่ดมันมวลขนาดต่เสริมมันมากจนถ้าได้ยิ่งนี่จะไฟเป็นไฟมดัดกิเลสชอบเถริมสัง่งเถริมของต่ำจนมากเบิ่งเสริมของดีเองขึ้นมา ก, ก็มัดทำร้ายตัว เ, เอลงลูกบัตมีอันาจของกิเลสเป็นเรื่องให่นยังว่ากิเลสนี่ยให้ค้นยู่งกว่าดนอกจากท่านท่านเท่านี้ค้นยู่สิ แ่าอันคิดถึงถ้ำของขุมพุติเจ้ตาต่อมากสาวกก็คือออกจากพุติเจ้าคนตรัสไปแลสวจับาคาโตัวพระกบตาทำ ม, มุกทำหงค์ตรัสไปและมีเพิ่์นอามาพอ่อพ ม, ม, ม่าเนแปดหมื่นสี่พระถ้ำ ม, มขันมันจะมากกว่าหนึน่งถ้ำมากกว่าหนี้มีเพิ่์นอ า, า, ามาพอเหมาะก็พ่อดิกบกมนุษย์ถึงยิบออกมากแต่บางอย่างก็ยังไม่มีภาควิจารณ์กันทุกวันเพราะว่มรูข่มฉลาดที่เล่นจาบข่มจำข่มจำที่เผย จำมาใช้เท่านั่นก็มันเป็นของเจ้าของแล้วก็เสือ่อมไปม่นเป็นขจริงเมื่อความจําเข้าใจะนัวงข้อมจำเป็นตัวเป็นตันเป็นเจ้าของเป็นว่าผู้ฉลาดเป็นพวกมีข้อมือนหนแหลมคมสลาดปาดเปลี่ยนซุ้งซางใช้ซุงปูอะได้คิดลงไปที่ภาควิจารณ์ข้ามสอนูกศาสาดาซึ่งพระ อ, องค์มดกิเลสแล้วเอาออกมาสอนเอวิจ า, ารณ์ท่าได้กับมีั้งป็นเซียนเสีย เพราะตัวเองส่วนคนยังสกปรกเบื่อตีเน้อเบื่ออนาบลาะตัณหาโทสะโมหะเต็มอัตระเป็นแต่ว่าปัญญาเรื่องีควบคศึกษาจากควมจับมึนมั่นสมองเห็นมั่นสมองเนี่ยถ้าว่าบางท่านถีกเชิงประคับประคองมั่นสมองเลยจะทำลายเหมือนสมัยดุริบันทิศออกมานี่เที่ยวคิศออกมานี่ต่อทิศออกมามีไม่ใช่มั่นสมองต้องทิศออกมาอยาทุกยางทิศออกมา พ่อตัวเ้าคิดพ่อล้วก็ทำลายลูกอย่างทีหมายผลสุ่ท้ายเมื่อนี่เราจะต้องอะไรใส่จะ้ตงชีนัดยิบหายเพนว่าใส่ว่าเป็นก็เป็นโทษใส่เป็นก็เป็นประโยชน์มหาศาลทีเจ้จัดทำแรกว่าแยกว่าสองข้ิดคิดไปอ่านพอดีพอดีอยู่เสมออางคนตรวจจะเซวนาจะบาลานันบนิตานันจะเซวนา หนูพูดสองขอ้อคนทำไม ย, ยุบไดแต่พอพุทธเจ้าตรัสสรุปใหม่ๆ ม, ม, มนุษย์และเทวดานี่แสดงหาโมฆ้นเรื่ตามหลักคนคูได้ได้อันได้ดีแต่ว่าเป็นโมฆ้นมนุษย์ใจเนื้อหลายก็ว่าเป็นโงค้นใจหัวหลายแตว่าเป็นโมฆ้นกินเหล่าหลายก็เป็นโมฆ้นอันใดชอบเป็นอันใดวาตเป็นโมฆ้นตา่นตางคนต่างมีฝันวิจารนเป็นหลักเป็นเกาในส่วนนี้ดังไปถึงถามเทวดาเทวดาก็ว่าสิกัน มวลจึงได้สอบจได้ลองเพ่นจังได้ดียังชอบตามอำเภอใจว่าเป็นมูขคนวัดทิ้งนั่นหาเป็นมุขค้นใหม่เดินเถิดกล่าวไปไปหาพระอินทพระอินนอะเออประทับกฎพระพุทธเจ้าต้องเกิดมาแล้วเราต้องไปถามพระพุทธเจ้าเราไม่ใส่บัณฑิต้องไม่ใส่ผู้รู้แจ้งแท่งตลอดเราต้องไปหาพระพุทธเจ้าคนวาในประเทศตะวนันตกตอนสว่างอรุ่ณพวกเทวดาเข้าไปถามปัญหา พ่อแม่ผู้จัเพื้นพูดไว้เดียวแกพาอแม่ผจัดมันหรือพวกทูเจ้าควรมีญางชัดคำวามีเง่อนยิ้มญาณย้ตานอกเฉยตาหนิงเห็นแค่นี้แ่เมว่อยังคือฉันตาแต่เหมือนเนี่ยเห็นพระเมเห็นพรกมือเห็นกันตริงๆเห็น้องค้าเห็นที่นี่แหะแต่มีกลองจุนทัดเกินนั่นจะจ้องุนทัดจะซ่องเข้าไปเรียก็ตาเนี่อนห้ดธรรมดา่ั้งนอนเส็จอาัยเครื่องมือขึ้นห้องใส่จกตามันสั่วเข้าไปเขาจแสงขึ้นมาอนที่เกใช้เข้าไปน้อยนเกินนั่นนี ม้มาออกมือเตือนถึงแต่ถามพูะิเจ้าอะไรเป็นมนคน้นพูทิเจ้าจึงตัดประสามสิบแปดประการเป็นยกขึ้นมาอเซวนาสะพาละนั่งเป็นว่าหนึ่งได้พันเศษข้นผ่านคือคนตัวชาละมกฉันดานบดีพันเข้าไปใกล้บ่อยๆทุกวันทุกวันเล่าจะเป็นคนตัวชาละมกเป็นคนตามซ้ำเ่มือไม่ข้นเขากาือบ่ค้นเศมีคนผ่านทะยอกนี่ยเป็นไง อยู่คนผพานภายนอกคนผพานภายนอกโมลุ่นแรงเท่าที่ควรเพราะว่ า, วาหากจะลบหรือติดตัวในวิธีใดวิธีหนึ่งกรไดับรอ้ึเขาดีจะลบวิธีใดก็ะดัอันนี้ง่ายนเลยอันคนพานภายในมันให่เกินที่เกิดขึ้นมากข้อมโรคว้อมโกรธข้อมหลงต่ำอยู่ทุกวันต่ํำหัวใจอยู่ยทุกวันเราไปหยียบยาทําลายหัวใจล้วทุกวนันดำอยู่ทุกวันโกรธเกิดแรงอันนี้ลบว่าใดเลยลบยากเลย คนวานคนว่าเชื่อวันนาเผด็จข่มขูกันมากอย่างไหนก็ในเตเด็กตีกันเดทำายกันหรือโอถึงยังรุ่นแรกล้มกันว่เด็กกันเากันเหมือนกิ้วเต็มมาโลกนีนคิดหายพอหนักเผด็จขมขู่เ่วนเผดคิดิมณะส่วนคมยิงวามดุข่มฉลาดอวดดีอวดยิ่งคนว่าเผก็ไปมากๆล้ม่อยกัน่าได้จนคนยุทธายก็เด็ฟ้านและเบิดแหลกไเล่นกันเลยมีคนพันภายในลิบเง ส่วนคนผ่านถนอกลบไปลบใช้อีกคนนึงว่าอาเทวนาจะพาลหมฟังดูสิคนหวังว่าเป็นมงคลเป็เสียคูของมันว่าให้ดีเถิดรู้จะทาให้เจ้าของอาภัพจากนั่นจะทําให้เจ้าของอาภัพเดีคนอื่นมาเกี่ยวของกับภัพอีกจะ ม, มากก็นั่นกับ้านเมื่ออาภัพอีกมากก็นั่นกับถนอมที่หนาติปหายหลกที่หนาติปหายนั่นสมบูรณ์เจ้าอันนี้มันเป็นมงคลาอาเทวนาจะพาเราไหมคนว่าบัณฑีการั้นจะเทวนาเนาะ เคยคบค้าส ม, มาคมกับบัณฑิตผู้ฉลาดบัณฑิตผู้ฉลาดบัณฑิตนอกอนึนนในในงนะ บ, บัณฑิตในรึนะแยกออกบัณฑิตนอกห ม, มายถึงพวกเลี้ยงจบมาทำไมปัจจุบันนี้บัณฑิตนอกขือก็พ่อเป็นปกครองโลกไปทาหาสุดขั้มไปดีจริงๆทำโลกให้ชุเงเย็นทำโลกแบบนี้ความรู้คว่ำฉลาดแหลมคมทุกดาทุกมุมการปกครองชีวิตอันนี้บัณฑิตนอกเหมือนทุกวันจบเป็นเปปจเ้าพิยัตติอยู่แต่เกนถึงปริยัตเอีกด็อกเตอร์บัณฑิตนอก อ้าวกเลี <weaknesses> <that that <lesser formula> ้ยนทั้งพาก่อตั้งจจบไปสมบนเต็มใจนักถ่านตีอยู่ไปจนเก้าปอยู่ถายที่ก็มีกิเลสจัดเป็นบัณฑิตนอกแต่ก็ควรสรเผบันิตนอกในข้อมือข้อมฉลาดพอประคองจิตแต่ถ้าหากว่าอำนาจของเกศแรกก็จะเอาควอมือของเพดอนมาใส่จึงมีเล่กลหัวเพี้ยนสูงมีเล่กุลสูงที่สุดทางสร้าง่านก็ดีที่สุดเลิดที่สุด ทำโลกไปล่มด้วยทำโลกไปเจริญเก่าหนาทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้นู้นด้วยโลกจะไม่มีวันเทียมซะนั่งค่อมดูค่อมฉลาดบัวไทยอำนาจของกจีนเข้าไปแทรกถือเข้าไปแทรกถึ่ใชดดดด่ด้วยเหตุด้วยผลถือว่าพูดด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยคามถูกต้องตามเหตุตามผลถึงเนีย่ยอันนี้เป็นว่าบัณฑิดนอกอันนี้จะเมื่อมีบัณฑิตนอกแล้วก็อันนี้จะเป็นมุขค้นเพื่ประมาณแต่มีข้อ ด, ด้วย ทางนี้ิเลสทูบบัณฑิตามันจะเส้านหาบัณฑิตในผูนน้เพลินละก่เด็ลรุดคนไปแล้วอันนี้เต็มร้อยปอร์เซถ้าเข้าไปคบพระสมภรมบัณฑิตประเภทนี้จะไม่สอนให้คนล่มจมนับแต่การของคิดคำมาหาเรื่องคีดทุกอย่างตลอดรูปแบบไหนยุคที่ไหนศิลปะทุกด้านทุกมุมอันนี้จะนำํำไปใช้เหมาะสมพอดีกับภาวะกับบุคคลนั่นนั้นกับประเทศนั่นนั้นกับโลกนั่นนั้น เราทั้งหมดที่โลกมนุษคุมกันอยู่บัณฑิตประเภทนี้คือบัณฑิตผู้หลุดพ้นนี้จะไม่ทําโลกให้พินาศทิบหายล่มจมและจะทําให้ผู้เข้าไปใกล้ชนิดนั้นนับวันจะล่มเย็นไปเรื่อยๆลบล่มเย็นไปเรื่อยตลอดชีวิตยิ่งบําเพ็ญคุณงามความดีดำเนินตามท่านไปเท่าไหร่ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นจนเป็นบัญญัติบัณฑิตมหาบัณฑิตถึงจะเป็นมงคลอันสูงสุด นั่นพันหนึ่งแยกออกจากนี้อันนี้เราพูดมาให้ฟังพอประมาณตามกำลังสติปัญญาเท่าที่คิดเท่าที่จะพิจนาและเท่าที่จะศึกษามาจากนักปราชญ์ท่านเพียงพอประมาณถ้าว่าพวกเรามีความรู้ความฉลาดสามารถมีความแตกตางและจิตใจกว้างขวางเมื่อจิตใจบริกบานและยิ่งพัฒ น, นาม่มีวันจบสิ้นเลยแค่สองบทนี้พระพุทธเจ้าจะก็ระตรัสพวกเทพดาทั้งหลายเข้าไปคุณถามพระองค์อันนี้เพียงยอด เชิบมงคลสองข้อทั้งนี้รู้สึกพวกเทะดาทั้งหลายตลอดพระอินท์ผู้เป็นเจ้าทับยอมรับรับสมบัติมันไม่ได้ลําเอียงกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหมือนไอ้พวกเราแสดงหามงคลเป็นเหมือนทุกวันนึงลรืนั้นดีเป็นมงคลดีอันนั้นมีเวลานั้นวันอังคารทํำอย่างนั้นดีวันจันเวลาเท่านั้นทําอันนี้ดีอันนี้คืรอะไว่ า, ามมันใช่เป็นดุษฎีสอน มันดิดท่านบอกว่าเวลาในประพฤตตนด้วยกายวาจาใจบริสุทธิ์สะอาดไม่เป็นโทษนั่นแหละเป็นมงคลนั่นแหละเป็นเลือกดียามดีท่านสอนอย่างนี้ถาวันนั้นดีจริงๆก็ลองดูีิพิสูตรดูซิก็มันก็ดีด้วยกันทั้งหมดที่ถ้าใครเกิดปานังคารดีก็ดีด้วยกันทั้งหมดเมืนไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เสมอกันพราอวันนั้นจะมืดกับแจ๊ดยี่สสี่ชั่วโมงก็เห็นเป็มืดกับแจ๊ดทาอะไรคนไม่ได้ และทําให้คนอะไรเป็นดีก็ไม่ได้แม้แต่ยินาซีนพระพุทธเจา้าท่านยิ่งตรัสว่าปุถุชนักขัตงัชงชนมังคลังชุบปะพาตังสูริติตังคันุงุบ ด, ด, ดีดียามดีมงคลดีท่านบอกการประพฤติกายวาจา ถ, ถึกถึจริตนุษยสะอาดดีดีไม่มีมโทษนะ่ะท่านบอกอย่างนั้นอันนี้แหละลดีดียามดีมงคลดีดีจริงๆเมื่อสร้างให้ตัวเองเดียดร้อนด้วยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย กระทบกระเทือนผู้อื่นด้วยรับเป็นมือคลทั้งตัวเองด้วยละเป็นมืคนทั้งอื่นด้วยแม้จะเกิดวันใดก็ตามเป็นวันดีด้วยเป็นวันเลิศประเสริฐ ด, ด้วยพร้อมกันไปหมด <c oughs> ทั้งวันด้วยทั้งบุคคลผู้ทําด้วยมีทั้งสองมีเกี่ยวเนื่องกันกับคนเป็นสัมผัสคนผู้ทํานี้เป็นสัมผัสท่านจึงสอนไว้อย่างนั้นเนีถ้าคนเข้าใจมีผู้ใค้ฟังเพียงเฉลิมขึ้นคือ พอเหมาะกับพวกเราศึกษาในการปกครองชีวิตในสมัยป mm ัจ hmm. จุบันเวลานี้สิ่งทั้งหลายที่ผลิกออกมานี่มีแต่อัตราที่จะทำคนให้ไว้ตัวอย่างรวดเร็วและติดได้เลยด้วยเพราะอำนาจติดพื้นฐานของสิดยจะไม่มีสีไม่มีธรรมเขียงห่อต้องรักสึ่งเหานี้เต็มร้อยเปอร์ซ็นเห็นความรักก็ดีความ โกรธก็ดีอย่างนี้ยิ่งโกรธมากเท่าไหร่ยิ่งเสริมมากเท่าไหร่ยิ่งสนิทกับสิ่ง น, นั้นและยิ่งเป็นโทษเป็นไปเผาตัวเองด้วยเผาคนอื่นด้วยพม่าขึ้นกระดันที่พูดแล้วเขาทั้งโลกเลยจืิทจังว่ามันไม่ดีอาเซวนาจะพาอะไพาประเทศนี้ไม่ว่าพาโน่นก็ดียิ่งพาในติดยิ่งร้ายส่วนพาโนอกเป็นที่บูชาฟังแล้วพอหลบหลีกติดตัวพอหลบไปได้พอออกตัวไปได้ ทานในใจเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้สังวรระวังหัวใจเนี่ยเป็นสําคัญห้นหระวังเวลามันคิดจะเป็นอยากจะโกรธคนอื่นก็ให้อดให้ทนและพยายามดลบบีบ ส, สิ่งแวดล้หรือพยายามอดทนอันนี้มันจะมีวันบรรเทาลงไปถ้าไม่พยายามไปไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอกันพาพันเข้าใจหพูดไปฟังในี่และที่พากันหากันอย่างนั้นวันนั้นดีอย่างนี้ ทั้งนี้เป็นมหานิยมอย่างนั้นพระพุทธเจ้ า, านั่นพระองค์สร้างบารมีในสี่อักษรขัดไขแสนกําไรหมากรับไม่ใช่ว่าวันเป็นหมู่คลพระพุทธเจ้ า, าเป็นมงคลพระองค์สร้างแต่ความดี ง, งามตลอดเอเป็นสัตว์ก็เป็นหัวหน้าผู้เป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ฉลาดมากที่สุดเนี่ยจนท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ สมเปรกปรารธนาหรือสัตว์ขนสัตว์ดูที่ตีอสงสัยแสนกําไรหมาตัดดูที่เพื่อนไหตายเกิดอย่นั้นทรงรู้หมดทุกอย่างแล้วนํามาสอนบัณฑิตอันนั้นมหาบัณฑิตมีบัณฑิตผู้หลุดพ้นทั้งหมดสัตว์หนึ่งไม่มีสองคำหนึ่งและไมนมีสองอันนี้คือพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วองลงมาคือบรรดาสาวกความอรหัน์ทั้งหลายน่สําหรับ ทุกวันนี้ยบัณฑิตนอกมากขนาดไหนพ้าพูดแล้วเก็บจะล้นแผ่นดินแต่โลกทําไมถึงร้อนที่ขนาดนั้นล้นแล้วจะจบเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตทั้งหมดทุกการทั้งนี้ไม่ได้ตําหนิพูดถึงเพื่อเทียบดูความรู้ภายนอกกับความรู้ภายในแต่ปฏิเสธไม่ได้แม้แต่บัณฑิตภายนอกก็ต้องก็จะต้องศึกษา เ, าเรียนให้รู้ให้ฉลาดแต่ข้อสําคัญอย่าซึ่งหลักนักปัจให้หลักนักปัจจเป็นคู่เคียงกับจิต ไปโดยสม่ำเสมอถ้าเวลาไหนเหวี่ยงตได้ขาดลงไปนักวิทยาศยาสตร์ในโลกได้เจริญขึ้นมายังไงคนก็จะต้องนับวันจะเข้าเข้าไปสู่ลิ้นพันเหรอคุณจะง่าง่ายเพราะอํานาจตัวนี้แรงมากที่ยวดมีค่อยนับไปทุกวันทุกวันนี้ไม่มียานผู้ที่คิดกันให้เรมีสถิาตตาังกลับไปสอนลูกสอนหลานจะเฮหมอหมอกับวัตถุเกินเกินไปวัตถุอันนี้กองเป็นโลกทั้งสาร ก็เป็นหนึ่งเป็นมาแบบนี้ใหส้สงนใจตกสิ่งที่ดีงามและมีขอบเขตในสิ่งในธรรมกฎหมายบ้านเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่โลกจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไม่สิัดภาอาคเกิดมาเท่าไรกี่กับกี่กันไม่ขัดภาคตัวเองก็ไม่ขัดภาคโลกที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ขุดภาคไม่มีค่อยไม่ไม่ค่อยทะเลาะบอกแฉ่ซึ่กันและกันเพราะอำนาจมีขอบมีเหตมีเหตุมีผลเป็นเครื่องปกครองหัวใจ มีสิ่งมีธรรมเป็นเครื่องรับรองคือเหตุผลอันนี้เป็นเครื่องรับรองของจิตของใจไม่ว่าคนชั้นไหนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงถูกต้องเอาเหตุเอาผลเอาศสิ่งธรรมเขาเป็นเครื่องรับประกันคือของห น, น้าปากท่านผลคมรู้กับสลาดที่เรียนมาถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วโอ้โหที่นี่โลกเจริญเต็มที่ยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อาพับไม่ว่าจะ ดินฟ้าอากาศอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะคนประเภทนี้ฉลาดแหลมคมรู้จักสิ่งที่ทําให้โลกที่หนึ่งคิบหายรู้สิ่งที่จะเป็นคิด็นไทจจกไม่ผิดขึ้นมาประเภทที่เรียนจบมาแล้วมี ก, กิเลดเต็มหัวใจอันนี้ผิดขึ้นมาไม่ห่วงใครขอให้ตัวเองได้รวยล่ํารวยมากกว่าใครทั้งหมดเพื่อตัวเองทํานวนอันนี้แหละประเภทนี้แหละทุกวันนี้กำลังมากขึ้นมากขึ้นจึงยากที่จะแก้ลําพัง บรรดาสาวกพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอํา น, นาจมีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนก็แก่ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอํา น, นาจัองกรรสร้างขึ้นมาเสร็จขึ้นมาถึงการเวลาแล้วจะต้องทิ้งทิพไหลงไปตามเรื่องของของโลกที่ติดขึ้นมาส่วนบรรดาท่านผู้ดีผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบท่านไม่ได้ทิพไายเลยแม้ขันนี้จะตายลงไปความมีงามก็ติดอยู่ในหัวใจเกิดมาพบใดชาติใดมีแต่ความสมบัตงนั้นอยากให้บรรดาพวกเราทั้งหลายพยายาม บำเป็นตนด้วยคุณงามความดีนัดแต่กฎหมายบ้านเมืองขึ้นไปถึงมนุษยธรรมและประธานศีนตลอดภาวนาอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปตาม ก, กำลังความสามารถของตนยึดเอาไปเถอดเรื่องของดีหยิบเข้าไปท้ายเถิดน่น้อยจะเป็นดีอยู่ในหัวใจดีก็ความชั่วช้าละมกหยิบเข้าไปลนสกปรกโส ม, มุมคิดวันไหนก็เศร้าหมองคิดกินไหนก็ไม่มีความสุขความสบายมันจะดีตรงไหนเห็นว่า ท่านจังหวัดนั่นแหละดีเลิศดีประเสริฐนักบวชท่านจริงชมเชยเพร่อพุทธเจ้าท่านจังหวัดสวัสดิธรรมนี่ท่านศาสตร์ไปแล้วดีหมดทุกอย่างหนึ่งไม่มีสองและปฏิบัตินั้นไม่ค่อยสิดพลาดด้วยนี่พากันนําไปคิดไปอ่านไปอ่านและน้อมเข้ามาโอคอนเดนิโกน้อมเข้ามาปฏิบัติพยายามด้วยนะจำเฉยๆแล้วมาปฏิบัติก็ไม่ได้หรอกต้องพยายามด้วยทุกวันทุกวันอย่ามองใครให้มองตัวเองให้มองตัวเองเป็นผู้ดําเนิน หน้าที่การงานทุกๆอย่างด้วยความดีงามด้วยเหตุด้วยผลไม่ต้องมองคนอื่นคนนั้นทําคนนี้ไม่ทําไม่เที่ยวขอทุกคนให้มองความดีงามและปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามไม่ต้องมองความสามัคคีก็ไม่ฝ่องพูดไม่ต้องยกบาลลีก็ไม่ได้ขาสังัขละไม่สามัคคีไม่เจ้ายกขอให้ดําเนินคุณงานความดีสิ่งนี้ไปทุกคนทุกคนหากรู้จักอทอมเทียงกันไปเองและสงบร่วมเย็นไปเอง ตลอดผ้าโลกทำได้อย่างนี้โลกไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีเรื่องยุ่งเหยองเกิดขึ้นกันนี่มีพูดเท้ฟังแล้วนำไปธุรกิดไ้อาสอะไรแทนนี้ขอ